พระตรปิฎกเล่มที่สิบสองนิวาประสูตรว่าด้วยเหยื่อล่อเนื้อสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหละพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย นายพรานเนื้อไม่ได้ปลูกหญ้าไว้สําหรับฝูงเนื้อด้วยคิดว่าเมื่อฝูงเนื้อกินหญ้าที่เราปลูกไว้นี้จะมีอายุยั่งยืนมีผิวพันธุ์ดีมีชีวิตอยู่ยืนนานที่แท้นายพรานเนื้อปลูกหญ้าไว้สําหรับฝูงเนื้ อ, อด้วยมีความประสงค์ว่าฝูงเนื้อที่เข้ามาสู่ทุ่งหญ้าที่เราปลูกไว้นี้แล้วจะลืมตัวกินหญ้าเมื่อเข้ามาแล้วลืมตัวกินหญ้า ก็จักเผลอตัวเมื่อเผลอตัวก็จักเลินเลอ่อเมื่อเลินเลอ่อก็จักถูกเราทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้าแห่งนี้ภิกษุทั้งหลายบรรดาฝูงเนื้อเหล่านั้นเนื้อฝูงที่หนึ่งเข้าไปสู่ทุ่งหญ้าที่ในพรานปลูกไว้แล้วเมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็เผลอตัวเมื่อเผลอตัวก็เลนเลอ่อ เมื่อเลิศเลก็ถูกนายพรานเนื้อทําอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่หนึ่งนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอํานาจของนายพรานเนื้อไปได้ภิกษุทั้งหลายเนื้อฝูงที่สองเห็นเนื้อฝูงที่หนึ่งเหลือตัวกินหญ้าจนถูกนายพราน จ, จับได้จึงพากันคิดว่าทางที่ดีเราควรงดกินหญ้าโดยสิ้นเชิง แล้วหลีกไปอยู่ตามราวป่าครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤ ด, ดูร้อนซึ่งเป็นเวลาที่หญ้าและน้ําหมดสิ้นแล้วฝูงเนื้อปูงนั้นก็มีร่างกายสู้ผอมกําลังเรียวแรงก็หมดไปจึงพากันกลับมาสู่ทุ่งหญ้าที่ในพรานนั้นปลูกไว้อีกเนื้อปูงนั้นพากันเข้าไปในทุ่งหญ้านั้นลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อเข้าไปแล้วลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็เผลอตัว เมื่อเผลอตัวก็เล่นเลอ่อเมื่อเล่นเลอ่อก็ถูกนายพรานเนื้อทําอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เนื้อฝูงที่สองก็ไม่รอดพ้นจากอานาจของนายพรานเนื้อไปได้ภิกษุทั้งหลายเนื้อฝูงที่สามเห็นความเป็นไปของเนื้อฝูงที่หนึ่งและฝูงที่สองจึงพากันคิดเห็นร่วมกันอย่างนี้ว่าทางที่ดี พวกเราควรซุ้มอาศัยอยูใ่ใกล้ๆทุ่งหญ้าที่ในพราเนื้อปลูกไว้นั้นครั้นแล้วเราจะไม่เข้าไปสู่ทุ่งหญ้าที่ในพราเนื้อปลูกไว้นั้นจะไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่เมื่อไม่เข้าไปแล้วไม่ลืมตัวกินหญ้าอยู่ก็จะไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็จะไม่เลินเล่อเมื่อไม่เล่นเล่อก็จะไม่ถูกในพราเนื้อทําอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้น และพากันทาตามความคิดนั้นภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นในปราเนื้อกับบริวารมีความคิดว่าเนื้อฝูงที่สามนี้เป็นสัตว์ฉลาดเหมือนมีรุดไม่ใช่สัตว์ธรรมดาจึงกินหญ้าที่ปลูกไว้นี้ได้โดยไม่ถูกจับเราไม่รู้ทั้งทางมาและทางไปของพวกมันทั้งที่ดีพวกเราควรเอาไม้มาขัดเป็นตะข่ายล้อมรอบทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้นี้ บางทีเราจะพบที่อยู่ของเนื้อฝูงที่สามในที่ซึ่งเราจะไปจับพวกมันได้พวกเขาจึงช่วยกันเอาไม้มาขัดเป็นตะข่ายล้อมรอบทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้นั้นนายพรานเนื้อกับบริวารก็ได้พบที่อยู่ของเนื้อฝูงที่สามในที่ซึ่งเขาไปจับพวกมันได้แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แม้เนื้อฝูงที่สามนั้นก็ไม่รอดพ้นจากอานาจของนายพรานเนื้อไปได้ ภิกษุทั้งหลายเนื้อฝูงที่สี่เห็นตัวอย่างจากเนื้อทั้งสามฝูงแรกที่ไม่รอดพ้นจากอำนาจของนายพรานไปได้จึงพากันคิดว่าทางที่ดีพวกเราควรอาศัยอยู่ในที่ซึ่งนายพรานเนื้อกับบริวานไปไม่ถึงครั้นแล้วไม่ควรเข้าไปยังทุ่งหญ้าที่นายพรานเนื้อปลูกไว้นั้นเมื่อไม่ลืมตัวกินหญ้าก็กจะไม่เผลอตัวเมื่อไม่เผลอตัวก็จะไม่เลิศ เมื่อไม่เลิเล่ก็จะไม่ถูกนายปลาเนื้อทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในทุ่งหญ้านั้นภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นปลาเนื้อกับบริวารคิดจับเนื้อฝูงที่สี่นั้นจึงเอาไม้มาขัดเป็นตะขายล้อมรอบทุ่งหญ้าที่โลกไว้แต่ก็ไม่พบที่อยู่ของเนื้อฝูงที่สี่ครั้งนั้นนายปราเนื้อกับบริวารจึงคิดตกลงใจว่า ถ้าเราจะคืนรบกวนเนื้อฝูงที่สี่ให้ตกใจเนื้อเหล่านั้นที่ถูกเราทําให้ตกใจแล้วก็จะพลอยทําให้เนื้อฝูงอื่นๆตกใจไปด้วยฝูงเนื้อทั้งหลายคงจะไปจากทุ่งหญ้าที่ปลูกไว้จนหมดสิ้นทางที่ดีพวกเราควรวางเฉยในเนื้อฝูงที่สี่เสียเถิดเมื่อเป็นเช่นนี้เนื้อฝูงที่สี่จึงรอดพ้นจากอานาจของนายพลานเนื้อไปได้ ภิกษุทั้งหลายเราจะเปรียบเทียบเพื่อให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในคำเปรียบเทียบนั้นมีคําอธิบายดังต่อไปนี้คำว่าทุ่งหญ้านั้นเป็นชื่อแห่งกา ร, รมคุณห้าคำว่าในพรานเนื้อนั้นเป็นชื่อของมารผู้มีบาปคำว่าบริวารของนายพรานเนื้อนั้นเป็นชื่อของบริวารของมารคาว่าฝูงเนื้อนั้น เป็นชื่อของสมณพราหมณ์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์พวกที่หนึ่งเข้าไปหากรรมคุณห้าที่มาล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรแล้วลืมตัวบริโภคกรรมคุณห้าเมื่อเข้าไปหากรรมคุณห้านั้นลืมตัวบริโภคกรรมคุณห้าก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาทเมื่อประมาท ก็ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในการมคุณห้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมกที่หนึ่งนั้นก็ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสมณพราหมกที่หนึ่งว่าเปรียบเหมือนเนื้อปูงที่หนึ่งนั้นภิกษุทั้งหลายสมณพราหมกที่สองคิดเห็นร่วมกันเรื่องสมณพราหมูที่หนึ่งนั้น ไม่พ้นจัดอำนาจของมารได้ทางที่ดีเราควรงดบริโภคกามคุณห้าอันเป็นโลกามิตรโดยสิ้นเชิงเมื่องดบริโภคที่เป็นไัยแล้วควรหลีกไปอยู่ในราวป่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีผักดองเป็นอาหารบ้างมีข้าวฟ่างเป็นอาหารบ้างมีลูกเดือยเป็นอาหารบ้างมีกากข้าวสาวร่ายรำข้าวตังกัมยาน มีหญ้าเป็นอาหารบ้างมีมูลโคเป็นอาหารบ้างมีเง่าไม้และผลไม้ป่าเป็นอาหารบ้างบริโภคผลไม้ที่หล่นเองดำรงอัตภาพอยู่ในราวป่านั้นครั้นถึงเดือนสุดท้ายแห่งฤดูร้อนซึ่งเป็นเวลาที่อาหารป่าและน้ำหมดสิน้นเธอเหล่านั้นก็มีร่างกายสู้ผอมเมื่อมีร่างกายสู้ผอมกำลังเรียวแรงก็หมดไปเมื่อกำลังเรียวแรงหมดไป เจโตวิมุตต์ก็เสื่อมเจโตวิมุตต์ในที่นี้หมายถึงเพียงอัทยาศัยคือการสละทรัพ์ลักการกรองเรือนแล้วออกมาอยู่ป่าเมื่อเจโตวิมุตต์เสื่อมแล้วพวกเธอก็กลับหันหน้าเข้าหากรมคุณห้าอันเป็นโลกามิตรนั้นอีกเมื่อเข้าไปหาแล้วลืมตัวบริโภคกามคุณห้าก็มัวเมาเมื่อมัวเมาก็ประมาท เมื่อประมาทก็ถูกมารทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในการมคุณห้านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้สมณพราหม์พวกที่สองนั้นก็ไม่ผลัดอำนาจของมารไปได้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสมณพราหม์พวกที่สองนี้เปรียบเหมือนเนื้อฝูงที่สองนั้นภิกษุทั้งหลายสมณพราหม์พวกที่สาม คิดเห็นร่วมกันถึงเรื่องของสมณพราหมกที่หนึ่งและสมณพราหมกที่สองที่ไม่พ้นจากอำนาจของมานไปได้จึงพากันคิดว่าทางที่ดีพวกเราควรจะเข้าไปอาศัยอยู่ ใ, น ใ, นในกล้ๆกรรมคุณห้าอันเป็นโลกามิตรนั้นครั้นอาศัยอยู่ใกล้ๆแล้วก็ไม่เข้าไปหากรรมคุณหที่มานล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรไม่ลืมตัวบริโภคกรมคุณห้า ก็จะไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็จะไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็จะไม่ถูกมาทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในการมาปุลห้า น, นั้นแต่สมณพราหมณ์เหล่านั้นมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงหรือโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สุดหรือโลกไม่มีที่สุดชีวะกับสริระเป็นอย่างเดียวกันหรือชีวะกับสริระเป็นคนละอย่างกัน หลังจะตายแล้วตถาคตเกิดอีกหรือหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกหรือหลังจะตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่เมื่อเป็นเช่นนี้สมณพราหมณ์พวกที่สามนั้นก็ไม่ผลจากอำนาจของมารไปได้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสมณพราหม์พวกที่สามนี้ เปรียบเหมือนเนื้อฝูงที่สามนั้นภิกษุทั้งหลายสมณพราหม์พวกที่สมีความคิดเห็นร่วมกันถึงเรื่องการปฏิบัติของสมณพราหม์พวกที่หนึ่งพวกที่สองและพวกที่สที่ไม่พ้นจากอำนาจของมารไปได้ด้วยการปฏิบัติเหล่านั้นทางที่ดีพวกเราควรอาศัยอยู่ในที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึง ครั้นอาศัยอยู่ในที่นั้นแล้วก็ไม่เข้าไปหากามคุณห้าที่มาล่อไว้ซึ่งเป็นโลกามิตรไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณห้าเมื่อไม่ลืมตัวบริโภคกามคุณห้าก็ไม่มัวเมาเมื่อไม่มัวเมาก็ไม่ประมาทเมื่อไม่ประมาทก็ไม่ถูกมาทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบในกามคุณห้านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นสมณพราหม์กขที่สี่นั้น จึงพ้นจากอำนาจของมารไปได้ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสมณพรามพวกที่สีน่นี้เปรียบเหมือนเนื้อปูงที่สี่นั้นแดนที่มารตามไปไม่ถึงที่ซึ่งมารและบริวารของมารไปไม่ถึงเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ สงัดจาักรามและอากุศลธรรมทั้งหลายและบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมานให้ตาบอดคือทำลายดวงตาของมานเสียยังไม่มีร่องรอยถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นสำหรับคำว่าทำมานให้ตาบอดหมายถึงภิกษุนั้นไม่ได้ทำลายในตาของมาน แต่จิตของภิกษุผู้เข้าถึงฌานที่เป็นบาตของวิปัสนาอาศัยอารมณ์นี้เป็นไปคือเกิดดับเหตุนั้นมานจึงไม่สามารถมองเห็นทำลายดวงตาของมานสะยังไม่มีร่องรอยหมายถึงทำลายโดยที่ในตาของมานไม่มีทางหมดหนทางไม่มีที่พึ่งปราศจากอารมณ์โดยปริยายนี้ถึงการที่มานใจบาป มองไม่เห็นหมายถึงโดยปริยายนั่นเองมานจึงไม่สามารถมองเห็นร่างคือญาณของภิกษุผู้เข้าฌานซึ่งเป็นบาตของวิปัสสนานั้นด้วยมังสะจักษุของตนได้ที่ซึ่งมานและบริวารของมานไปไม่ถึงอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบพรงะงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสในภายใน มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติละสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมานให้ตาบอดถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งพรอปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามากาย บรรลุตติยฌานาที่พระอริยะทั้งหลายสันเซินว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมานให้ตาบอดถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะลาสุขละทุก์ได้เพราะโสมนัตและโทมนัต ด, ดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุทัทธฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทํามานให้ตาบอดถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งหลอกลวงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่กําหนดนานาตสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากาศานัญญยตนาชาญอยู่โดยกําหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทํามานให้ตาบอดถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็น อีกประการหนึ่งเพราะล่วงอาการสาร น, นจายตนาชาญโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุวิญญาณ น, นจายตนาชาญอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมานในตาบอดถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงวิญญาณ น, นจายตนาชาญโดยประการทั้งปวง ภิกษุบรรลุอากินจัญญายตนะาฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรเราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมานให้ตาบอดถึงการที่มานใจบาบมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งหลอกลวงอากินจัญญายตนะาฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุเนวสัญญาณสัญญายตนะฌานอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมานให้ตาบอดถึงการที่มานใจบาบมองไม่เห็น ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุสัญญาเวทาอิตะนิโรธอยู่ก็เพราะเห็นด้วยปัญญาเธอย่อมมีอาสวะสิ้นไปเราเรียกภิกษุนี้ว่าได้ทำมานให้ตาบอดคือทำลายดวงตาของมานเสียอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มานใจบาปมองไม่เห็นและข้ามพ้นตัณหา อันเป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกได้แล้วพระผู้มีพระภาคตรัสพาสิทธิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แหละจบนิวาประสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่ส2บสอง